พุติยปันนาฏหนึ่งโคตมีวักหมวดว่าด้วยพระนางประชากบดีโคตมีหนึ่งโคตมีสูตรว่าด้วยพระนางประชากบดีโคตมีทูลขออุปสมบทสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนินนโครธารามเขตรุงกบิลพั์แคว้นสักกะครั้งนั้นแลพระนางมหาประชาบดีโคตมี เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาสแล้วยืนอยู่หน้าที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าขอประทานะโรกาสมาตุคามพึงได้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตในพระธรรมวินยัยที่พระตถาคตทรงประกาศไว้ด้วยเถิดพระพุทธเจ้าข่าพระผู้มีพระภาคตรัสท่ามว่ายาเลยโคตมี เธ อ, อย่าชอบใจการที่มาตุคามออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตในธรรมวินัยที่ตถาคตรประกาศไว้เลยแม้ครั้งที่สองพระนางมหาประชาบดีโคตมีก็กราบทูลว่าขอประธามวโรกาสมาตุคามพึงได้ออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตในพระธรรมวินัยที่พระตถาคตทรงประกาศไว้ด้วยเถิดพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสท่ามว่าอย่าเลยโคตมี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 ถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคทรงทำประทักษิณแล้วเสด็จจากไปครั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณเขตกรุงกบิลพัรตามพระประสงค์แล้วเสด็จจาริกไปทางกรุงเวสาลีเสด็จจาริกไปโดยลำดับจนถึงกรุงเวสาลีณนะที่นั้นแหลพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ครูตะคารสาลาปามหาวันเขตกรุงเวสาลีคราวนั้น พระนางมหาประชาบดีโคตมีทรงปลงพระเกศาทรงนุ่งผ้ากาสายะเสด็จไปทางกรุงเวสาลีพร้อมด้วยนางสาคิยานีจำนวนมากเสด็จเข้าไปยังกูตะคารศาลาปามหาวันเคกรุงเวสาลีโดยลำดับเวลานั้นพระนางมหาประชาบดีโคตมีมีพระบาทระบมพระวรกายปเปื้อนฝุ่นทุลีเป็นทุกข์เสียพระไทยน้ำพระเนตรนองพระพัก ประทับยืนกันแสงอยู่ที่ภายนอกซุ้มประตูท่านพระอานนนได้เห็นพระนางมหาประชาบดีโคตมีมีพระบาทระบมพระวรกายเปื้อนฝุ่นทุลีเป็นทุกเสียพระไทยน้ำพระเนตรนองพระพักประทับยืนกันแสงอยู่ที่ภายนอกซุ้มประตูจึงถามพระนางมหาประชาบดีโคตมีว่าพระนางโคตมีเพราะเหตุไรพระองค์จึงมีพระบาทระบม พระวรากายเปรอะเปื้อนฝุ่นทุลีเป็นทุกข์เสียพระไทยน้ำพระเนตรนองพระพักประทับยืนกลันแสงอยู่ที่ภายนอกซุ้มประตูพระนางมหาประชาบดีโคตมีตรัสตอบว่าท่านอาน o n ผู้เจริญที่เป็นเช่นนั้นเพราะพระผู้มีพระภาคไม่ทรงอนุ ญ, ญาตให้มาตุคามได้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตในพระธรรมวินยัยที่พระตถาคตทรงประกาศไว ท่านพระอานนท์กล่าวว่าพระนางโคตมีถ้าเช่นนั้นขอพระองค์จงรออยู่สักครู่จนกว่าอาตมาจากทูลขอพระผู้มีพระภาคให้มาตุคามได้ออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตในพระธรรมวินัยที่พระตถาคตทรงประกาศไว้ครั้งนั้นแล่ท่านพระอนนท์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาสแล้วนั่งณที่สมควร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 แม้ครั้งที่สองละถึงแม้ครั้งที่สามท่านพระอานนท์ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าขอประทานวโรกาสขอมาตุคามพึงได้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตในพระธรรมวินัยที่พระตถาคตทรงประกาศไว้ด้วยเถิดพระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคตรัสท่ามว่าอย่าเลยอานนท์เธออย่าชอบใจการที่มาตุคามออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต ในธรรมวินัยที่ตถาคตรประกาศไว้เลยลำดับนั้นท่านพระอานน์ได้มีความดําริว่าพระผู้มีพระภาคไม่ทรงอนุญาตให้มาตุคามออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตในพระธรรมวินัยที่พระตถาคตทรงประกาศไว้ทางที่ดีเราควรทูลขอพระผู้มีพระภาคให้มาตุคามออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตได้ในพระธรรมวินัยที่พระตถาคตทรงประกาศไว้ ด้วยอุบายบางอย่างครั้งนั้นท่านพระอานนท์ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมาทุคามออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตในพระธรรมวินัยที่พระตถาคตทรงประกาศไว้จะสามารถทำให้แจ้งโสดาปติพลสกทาคามิผลอนาคามิผลหรืออรหัตผลได้หรือไม่พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอานนท์ มาตุคามออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศไว้สามารถทำให้แจ้งโสดาปฏิผลสกทาคามิผลอนาคามิผลหรืออรหัตผลได้ท่านพระอนุนกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้ามาตุคามออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตในพระธรรมวินัยที่พระตถาคตทรงประกาศไว้สามารถทาให้แจ้งโสดาปฏิผล ละถึงหรืออรหัตผลได้พระนามมหาปรชาบดีโคตมีเป็นพระมาตุฉาของพระผู้มีพระภาคทรงมีอุปการะมากเคยประคับประคองดูแลถวายกเกษียนทานเมื่อพระชนนีสวรรคตขอประทานวโรกาสขอมาตุคามพึงได้ออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตในพระธรรมวินัยที่พระตถาคตทรงประกาศไว้ด้วยเถิดพระพุทธเจ้าข้า พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอานนท์ถ้ามหาประชาบดีโคตมีรับครุธรรมแปดประการได้การรับครุธรรมนั้นแหละเป็นการอุปสมบทของเธอคือหนึ่งพิกษุนีถึงจะบวชได้ร้อยพันสาก็ต้องทำการกราบไหว้การต้อนรับการทำอัญเชลีกรรมการทำสามีจิกรรมแก่พิกษุผู้บวชแม้ในวันนั้น ทำข้อนี้ภิกษุณีพึงสักกะเคารพนับถือบูชาไม่พึงล่วงละเมิดจนตลอดชีวิต 2. ภิกษุณีไม่พึงอยู่จำพรรษาในอาวะาที่ไม่มีภิกษุทําข้อนี้ภิกษุณีพึงสักกะเคารพนับถือบูชาไม่พึงล่วงละเมิดจนตลอดชีวิต 3. ภิกษุณีพึงหวังทำสองอย่างคือถามอุโบสถ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 ไม่พึงล่วงละเมิดจนตลอดชีวิต 5. ภพิกษุนีต้องครุธรรมแล้วพึงประพฤติปัจมานัตในสงฆ์สองฝ่ายทำข้อนี้พิกษุนีพึงสักกระเคารพนับถือบูชาไม่พึงล่วงละเมิดจนตลอดชีวิต 6. พิกษุนีพึงสแสวงหาการอุปสมบทในสงฆ์สองฝ่ายให้แกนางสิขมานาที่ศึกษาทำหข้อตลอดสองปีแล้ว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 ทำข้อนี้ภิกษุณี พ, พึงสักระเคารพนับถือบูชาไม่พึงล่วงละเมิดจนตลอดชีวิตอาโนนถ้ามหาประชาบดีโคตมีรับครุธรรม8 ป, ประการนี้ได้การรับครุธรรมนั้นแหละเป็นการอุปสมบทของเธอลำดับนั้นท่านพระอานน์เรียงครุธรรมแปประการนี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคแล้วเข้าไปหาพระนางมหาประชาบดีโคตมีถึงที่ประทับ แล้วกล่าวกับพระนางมหาประชาบดีโคตมีดังนี้ว่าพระนางโคตมีถ้าพระองค์รับครุธรรมแปดประการได้การรับครุธรรมนั้นแหลจจกเป็นการอุปสมบทของพระองค์คือหนึ่งพิษุณีถึงจะบวชได้ร้อยพรรษาก็ต้องทำการกราบไหว้การต้อนรับการทำอัญเชลีกรรมการทำสามีจิกรรมแก่พิกษุผู้บวชแม่ในวันนั้น ทำข้อนี้ภิกษุณีพึงศั ก, กระเคารพนับถือบูชาไม่พึงล่วงละเมิดจนตลอดชีวิตละถึง 8. ดตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปห้ามภิกษุณีสั่งสอนภิกษุแต่ไม่ห้ามภิกษุสั่งสอนภิกษุณีทำข้อนี้ภิกษุณีพึงศั ก, กระเคารพนับถือบูชาไม่พึงล่วงละเมิดจนตลอดชีวิตพระนางโคตมีถ้าพระองค์รับคฤธรรมแปดประการได้ การรับครุธรรมนั้นแหละจักเป็นการอุปสมบทของพระองค์พระนางมหาประชาบดีโคตมีตรัสตอบว่าท่านอานนผู้เจริญดิฉันก็จะรับครุธรรมแปดประการนี้ไม่ล่วงละเมิดจนตลอดชีวิตเปรียบเหมือนหญิงสาวหรือชายหนุ่มผู้ชอบแต่งกายเมื่อสงน้ำดำกล้าวแล้วได้พวงดอกอุบลพวงดอกมลิหรือพวงดอกลำดวนแล้ว ก็ใช้มือทั้งสองประคองรับไว้เหนือศีรษะต่อมาท่านพระอานน์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรเด็กกราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าพระนางมหาประชาบดีโคตมีทรงรับครุธรรมแปประการแล้วจะไม่ล่วงละเมิดจนตลอดชีวิตพระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอานน์ ถ้า ม, มาตุคามจะไม่ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตในธรรมวินัยที่ตถาคตรประกาศไว้พรหมจันทร์ก็จะดำรงอยู่ได้นานสัตทธรรมจะดำรงอยู่ได้พันปีแต่เพราะมาตุคามออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตในธรรมวินัยที่ตถาคตรประกาศไว้บัดนี้พรหมจันทร์จะดำรงอยู่ได้ไม่นานทั้งสัตทธรรมจะดำรงอยู่ได้เพียงห้า้อยปี ธรรมวินเนที่มาตุคามออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตจะดำรงอยู่ได้ไม่นานเปรียบเหมือนตระกูลหนึ่งที่มีสตรีมากมีบุรุษน้อยจะถูกโจรปล้นทรัพย์ทำร้ายได้ง่ายธรรมวิเนที่มีมาตุคามออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตจะดำรงอยู่ได้ไม่นานเปรียบเหมือนหนอนขยอกที่ลงในงนาข้าวสาลีซึ่งอุดมสมบูรณ์ก็ทำให้นาข้าวนั้นคงอยู่ได้ไม่นาน ธรรมวินัยที่มีมาตุ ค, คามออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตจะดำรงอยู่ได้ไม่นานเปรียบเหมือนเพลี้ยที่ลงในไร่อ้อยซึ่งอุดมสมบูรณ์ก็ทําให้ไร่อ้อยนั้นคงอยู่ได้ไม่นานอานนท์เราบัญญัติครุธรรมแปประการไว้เพื่อไม่ให้ภิกษุณีล่วงละเมิดจนตลอดชีวิตเปรียบเหมือนคนกั้นทำนบที่สะใหญ่ไว้เพื่อป้องกันไม่ให้น้ําไหลออกฉะนั้น โคตมีสูตรที่หนึ่งจบสองโอวาทสูตรว่าด้วยคุณสมบัติของภิกษุผู้จะสอนภิกษุณีสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณกุฏาคารสาลาป่ามหาวัน เคครุงเวสาลีครั้งนั้นท่านพระอานนท์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุประกอบด้วยธรรมเท่าไรหนอสงฆ์จึงควรสมมุติให้เป็นผู้สั่งสอนภิกษุณีพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอานนท์ภิกษุประกอบด้วยธรรมแปประการ สงจึงควรสมมุติให้เป็นผู้สอนภิกษุณีทำแปดประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เป็นผู้มีศีลและถึงสมทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลาย 2. เป็นพหูสูตและถึงแทงตลอดดีด้วยทิฏฐิ 3. เป็นผู้ทรงจำปาติโมกข์ทั้งสองได้ดีจำแนกได้ดีให้เป็นไปได้ดีโดยพิดาร วินิจัยได้ดีโดยสูตรโดยอนุพยัญชนะ 4. เป็นผู้มีวาจางามเจราจาถ้อยคำไพเราะประกอบด้วยวาจาชาวเมืองที่สละสลวยไม่มีโทษให้รู้ความหมายได้ 5. เป็นผู้สามารถที่จะชี้แจงให้พิสุนีสง์เห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราจะให้อาจหารแกล่กล้าปลอบชลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมมีคถา เป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของภิกษุณีโดยมาก 7. เป็นผู้ไม่เคยประพฤติล่วงครุธรรมในสตรีผู้นุ่งห่มผ้ากาสายะบวชอุทิตพระผู้มีพระภาค พ, พระองค์นี้ 8. มีพรรษา20หรือเกิน2ี่สอานน์ภิกษุประกอบด้วยธรรมแปดประการน้แลสงจึงควรสมมุติให้เป็นผู้สั่งสอนภิกษุณีโอวาทสูตรที่สองจบสา สังขิตตัดสูตรว่าด้วยลักษณะธรรมวินัยโดยย่อสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่นักูตะคารสาลาป่ามหาวันเคกรุงเวสาลีครั้งนั้นแหลพระนางมหาประชาบดีโคตมีได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วได้ยืนอยู่ณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า ขอประธานวโรกาศขอพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมโดยย่อที่เมื่อมอมฉันฟังแล้วจะพึงเป็นผู้จากไปอยู่ผู้เดียวไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่เธอพระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าโคตมีเธอรู้ทำเหล่าใดว่าหนึ่งทำเหล่านี้เป็นไปเพื่อความกำหนัดไม่เป็นไปเพื่อคลายความกำหนัด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 ทำเหล่านี้เป็นไปเพื่อความคลุกคลีหมู่คณะไม่เป็นไปเพื่อความสลัดเจ็ดทำเหล่านี้เป็นไปเพื่อความเกียคร้านไม่เป็นไปเพื่อปรารบความเพียร 8. ปดทำเหล่านี้เป็นไปเพื่อความเป็นคนเลี้ยงยากไม่เป็นไปเพื่อความเป็นคนเลี้ยงง่ายโคตมีเธอพึงทรงจำทำเหล่านี้ไว้โดยส่วนเดียวว่านั่นไม่ใช่ธรรมนั่นไม่ใช่วินัยนั่นไม่ใช่สัตุศาสตร์ โคตมีเธอรู้ธรรมเหล่าใดว่า 1. นึ่ธรรมเหล่านี้เป็นไปเพื่อคลายความกำหนัดไม่เป็นไปเพื่อความกำหนัด 2. ทํธรรมเหล่านี้เป็นไปเพื่อความพรากไม่เป็นไปเพื่อความประกอบไว้ 3. ทํธรรมเหล่านี้เป็นไปเพื่อการไม่สะสมไม่เป็นไปเพื่อการสะสม 4. ี่ธรรมเหล่านี้เป็นไปเพื่อความมักน้อยไม่เป็นไปเพื่อความมากๆ 5. ธารมเหล่านี้เป็นไปเพื่อความสันโดษไม่เป็นไปเพื่อความไม่สันโดษธรรมเหล่านี้เป็นไปเพื่อความสงัดไม่เป็นไปเพื่อความคลุกคลีหมู่คณะ 7. จ็รทเหล่านี้เป็นไปเพื่อปรารบความเพียรไม่เป็นไปเพื่อความเขีดคร้าน 8. ธรรมเหล่านี้เป็นไปเพื่อความเป็นคนเลี้ยงง่ายไม่เป็นไปเพื่อความเป็นคนเลี้ยงยากโคตมี เธอพึงทรงจำธรรมเหล่านี้ไว้โดยส่วนเดียวว่านั่นเป็นธรรมนั่นเป็นวินัยนั่นเป็นสัตธตร์สังคิตสูตรที่สามจบสี่ทีฆานุสูตรว่าด้วย โก리ยะบุตรชื่อว่าทีฆชานุสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนิคมของชาวโกริยะชื่อว่ากกระป ต, ตะเขกรุงโกริยะครั้งนั้นโกริยะบุตรชื่อว่าทีฆชานุได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์เป็นฆราหัตเป็นกามโภคีอยู่ครองเรือนนอนเบียดบุตรใช้จันทร์ของชาวกาสีทัดศงดอกไม้ของหอมและเครื่องรูปไลายินดีทองและเงินขอพระผู้มีพระภาคโปรสแสดงธรรมที่จะพึงเป็นไปเพื่อเกื้อคูลในภพนี้เพื่อสุขในภพนี้และเพื่อเกื้อกูลในภพหน้าเพื่อสุขในภพหน้าแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสว่า พยาคับปัชชะทำสี่ประการนี้ย่อมเป็นไปเพื่อกลื่อกูในภพนี้เพื่อสุขในภพนี้แก่กุลบุตรทำสี่ประการอะไรบ้างคือ 1. อุทานสัมปทาความถึงพร้อมด้วยความหมัน 2. อารักขสัมปทาความถึงพร้อมด้วยการรักษา 3. ามกยาณมิตตาความเป็นผู้มีมิตร ด, ดี 4. สมชีวิตา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 สามารถทําได้สามารถจัดได้นี้เรียกว่าอุทานสัมปทาอารักขสัมปทาเป็นอย่างไรคือกุลบุตรในโลกนี้มีโภคทรัพย์ที่หามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรเก็บรวบรวมด้วยน้ําพักน้ําแรงอาบเหมื่อต่างน้ําประกอบด้วยธรรมได้มาโดยธรรมเขารักษาคุ้มครองโภคทรัพย์นั้นด้วยคิดว่าทําอย่างไรโภคทรัพย์เหล่านี้ของเรา จึงจะไม่ถูกพระราชาริบ์โจรไม่ลักไฟไม่ไหม้น้ำไม่พัดไปทายาทผู้ไม่เป็นที่รักไม่ลักไปนี้เรียกว่าอารักขสัมปทากรยานามิตตาเป็นอย่างไรคือกุลบุตรในโลกนี้วางตัวเหมาะสมเจรจาสนทนากับคนในหมู่บ้านหรือในนิคมที่ตนอาศัยอยู่จะเป็นข้าบดีบุคคาบดีคนหนุ่มผู้เคร่งศีล หรือคนแก่ผู้เคร่งศีลก็ตามผู้ถึงพร้อมด้วยศรัทธาถึงพร้อมด้วยศีลถึงพร้อมด้วยจาระและถึงพร้อมด้วยปัญญาคอยศึกษาศรัทธาสัมปทาของท่านผู้ถึงพร้อมด้วยศรัทธาตามสมควรคอยศึกษาศีลและสัมปทาของท่านผู้ถึงพร้อมด้วยศีลตามสมควรคอยศึกษาจาระสัมปทาของท่านผู้ถึงพร้อมด้วยจาระตามสมควรและคอยศึกษาปัญญาสัมปทา ของท่านพูดถึงพร้อมด้วยปัญญาตามสมควรนี้เรียกว่ากรยาณมิตตตาสมะชีวิตาเป็นอย่างไรคือกุลบุตรในโลกนี้รู้ทางเจริญแห่งโภคทรัพย์และทางเสื่อมแห่งโภคทรัพย์แล้วเลี้ยงชีพแต่พอเหมาะไม่ให้ฟุ่มเฟือยนักไม่ให้ฝืกเครืองนักด้วยคิดว่าด้วยการใช้จ่ายอย่างนี้รายรับของเราจะเกินรายจ่ายและรายจ่ายของเราจะไม่เกินรายรับ เปรียบเหมือนคนช่างของหรือลูกมือของคนช่างของยกตราช่างขึ้นดูก็รู้ได้ว่าต้องลดลงเท่านี้หรือเพิ่มขึ้นเท่านี้ฉันใดกุลบุตรก็ฉันนั้นเหมือนกันรู้ทางเจริญแห่งโภกซั์และทางเสริมแห่งโพกซั์แล้วเลี้ยงชีพแต่พอเหมาะไม่ให้ฟุ่มเฟือยนักไม่ให้ฝืดเคืองนักด้วยคิดว่าด้วยการใช้จ่ายอย่างนี้รายรับของเราจะเกินรายจ่าย และรายจา่ายของเราจะไม่เกินรายรับถ้ากุลบุตรนี้มีรายรับน้อยแต่เลี้ยงชีพอย่างฟุ่มเฟือยก็จะมีผู้กล่าวหาเขาได้ว่ากุลบุตรผู้นี้ใช้จ่ายพภกทระซับเหมือนคนกินผลมาเดื่อถ้ากุลบุตรนี้มีรายรับมากแต่เลี้ยงชีพอย่างเฟืดองเือก็จะมีผู้กล่าวหาเขาได้ว่ากุลบุตรผู้นี้จกตายอย่างไม่สมฐานะแต่เพราะกุลบุตรนี้รู้ทางเจริญแห่งโภกทระซั และทางเสื่อมแห่งพภคทรัพแล้วเลี้ยงชีพแต่พอเหมาะไม่ให้ฟุ่มเฟือยนักไม่ให้เฟื่เครืองนักด้วยคิดว่าด้วยการใช้จ่ายอย่างนี้รายรับของเราจะเกินรายจ่ายและรายจ่ายของเราจะไม่เกินรายรับนี้เรียกว่าสมชีวิตาพยคับปัจชะพ่อทรัพ์ที่เกิดขึ้นโดยชอบอย่างนี้มีทางเสื่อมสีประการคือหนึ่งเป็นนักเลงหญิง 2. เป็นนักเลงสุรา 3. เป็นนักเลงการพนัน 4. เป็นผู้มีมิดชั่วมีสหายชั่วมีเพื่อนชั่วเปรียบเหมือนสระน้ำใหญ่มีทางไหลเข้าสีทางมีทางไหลออกสีทางบุรุษพึ่งปิดทางไหลเข้าเปิดทางไหลออกของสระน้ำนั้นและฝนก็ไม่ได้ตกต้องตามฤดูกาลเมื่อเป็นเช่นนี้สระน้ำใหญ่นั้นก็เหือดแห้งไป ไม่เพิ่มปริมาณขึ้นเลยฉันใดพภกทรัพที่เกิดขึ้นโดยชอบอย่างนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันมีทางเสื่อมสี่ประการคือ 1. เป็นนักเลงหญิง 2. เป็นนักเลงสุรา 3. เป็นนักเลงการพนัน 4. เป็นผู้มีมิตรชั่วมีสหายชั่วมีเพื่อนชั่วพ ย, ะะพยัขปัจชะพภกาทรัพยที่เกิดขึ้นโดยชอบอย่างนี้มีทางเจริญสี่ประการคือ 1. ไม่เป็นนักเลงหญิง 2. ไม่เป็นนักเลงสุรา 3. ไม่เป็นนักเลงการพนัน 4. เป็นผู้มีมิตร ด, ดีมีสหายดีมีเพื่อนดีเปรียบเหมือนสระน้ำใหญ่มีทางไหลเข้าสี่ทางมีทางไหลออกสี่ทางบุรุษพึงเปิดทางไหลเข้าปิดทางไหลออกของสระน้านั้นและฝนก็ตกต้องตามฤดูกาลเมื่อเป็นเช่นนี้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 ทำสีประการนี้แหลย่อมเป็นไปเพื่อเกื้อคูลในภพนี้เพื่อสุขในภพนี้แก่คุลบุตรพยาคัปชะทำสีประการนี้ย่อมเป็นไปเพื่อเกื้อคูลในภพหน้าเพื่อสุขในภพหน้าแก่คุลบุตรทำสีประการอะไรบ้างคือ 1. ศรัทธาสัมปทา 2. ศีลสัมปทา 3. จาคัสมปทา 4. ปัญญาสัมปทา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 คือคุรบุตรในโลกนี้เป็นผู้เว้นข่าจากการฆ่าสัตว์และถึงเว้นข่าจากการเสพของหมื่นเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทนี้เรียกว่าศีละสัมปทาจาฆ่าสัมปทาเป็นอย่างไรคือคุรบุตรในโลกนี้มีใจปราศจากความตระนีอันเป็นมนทินมีจาค่าอันสละแล้วมีฝ่ามือชุ่มยินดีในการสละควรแก่การขอ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 ทำสีระการนี้แล่ย่อมเป็นไปเพื่อเกื้อคูลในภพหน้าเพื่อสุขในภพหน้าแก่กุลบุตรคนขยันมั่นเพียรในการงานไม่ประมาทรู้วิธีการเลี้ยงชีพแต่พอเหมาะรักษาทรัพย์ที่หามาได้เป็นผู้มีศรัทธาถึงพร้อมด้วยศีลรู้ความประสงค์ของผู้ขอประสากความตรหนีชำระทางแห่งประโยชน์ที่มีในภพหน้าอยู่เป็นนิด ที่พระพุทธเจ้าผู้มีพระนามว่าสัจจะตรัสธรรมแปดประการดังกล่าวมานี้เพื่อผู้ครองเรือนผู้มีศรัทธาอันเป็นเหตุนำสุขมาให้ในโลกทั้งสองคือประโยชน์เคืค่อคูณในภพนี้และสุขในภพหน้าจาคะบุญนี้ย่อมเจริญยิ่งขึ้นแก่ครหัสทั้งหลายด้วยประการฉนี้ที่ข้าชานุสูตรที่สี่จบ อุชยะสูตรว่าด้วยอุชยะพราหม์ครั้งหนึ่งอุชยะพราหม์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้สนทนาปราศัยกับพระผู้มีพระภาคพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งนที่สมควรเด้ยกราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่ท่านพระโคดมผู้ข้าพระองค์คิดจะไปอยู่ต่างถิ่นขอท่านพระโคดม โปรสแสดงธรรมที่จะอํานวยผลเพื่อเกื้อกูลในภพนี้เพื่อสุขในภพนี้เพื่อเกื้อกูลในภพหน้าเพื่อสุขในภพหน้าแก่พวกข้าพระองค์เถิดพระพุทธเจ้าข่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพระธรรมทำสีประการ น, นี้ย่อมเป็นไปเพื่อเกื้อคูลในภพนี้เพื่อสุขในภพนี้แก่กุลบุตรทำสี่ประการอะไรบ้างคือหนึ่งอุทธานสัมปทา 2. อ, อารักขสัมปทา 3. กัลยานามิตตา 4. ส, สมชีวิตาอุทานสัมปทาเป็นอย่างไรคือกุลบุตรในโลกนี้เลี้ยงชีพด้วยการงานใดจะเป็นกสิกรรมพานิชยกรรมโครักกรรมเป็นช่างสอนรับราชการหรือศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามเป็นผู้ขยันไม่เกียจคร้านในการงานที่จะต้องช่วยกันทานั้น ประกอบด้วยปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาอันเป็นอุบายในการงานที่จะต้องช่วยกันทำนั้นสามารถทำได้สามารถจัดได้นี้เรียกว่าอุทานสัมปทาอารคษาสัมปทาเป็นอย่างไรคือคุรบุตรในโลกนี้มีโภคทรัพย์ที่หามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรเก็บรวบรวมด้วยน้ำพักน้ำแรงอาบเหงื่อต่างน้าประกอบด้วยธรรมได้มาโดยธรรม เขารักษาคุ้มครองโภคศัพท์นั้นด้วยคิดว่าทำอย่างไรโภคทศัพท์เหล่านี้ของเราจึงจะไม่ถูกพระราชาริบโจรไม่ลักไฟไม่ไหม้น้ำไม่พัดไปทายาผู้ไม่เป็นที่รักไม่ลักไปนี้เรียกว่าอารักขสัมปทากรยาน้ำมิตตาเป็นอย่างไรคือกุลบุตรในโลกนี้วางตัวเหมาะสมเจรจา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 คอยศึกษาจาระสัมปทาของท่านผู้ถึงพร้อมด้วยจาคะตามสมควรและคอยศึกษาปัญญาสัมปทาของท่านผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญาตามสมควรนี้เรียกว่ากัลยาณมิตตตาสมชธิวิตาเป็นอย่างไรคือกุลบุตรในโลกนี้รู้ทางเจริญแห่งโภกทรัพย์และทางเสื่อมแห่งโภกทรัพย์แล้วเลี้ยงชีวิตแต่พอเหมาะไม่ให้ฟุ่มเฟือยนักไม่ให้ฝฟื่เครืองนักด้วยคิดว่า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 ไม่เฝืดกเคืองนักด้วยคิดว่าด้วยการใช้จ่ายอย่างนี้รายรับของเราจะเกินรายจ่ายและรายจ่ายของเราจะไม่เกินรายรับถ้ากุลบุตรนี้มีรายรับน้อยแต่เลี้ยงชีวิตอย่างฟุ่มเฟือยก็จะมีผู้กล่าวหาเขาได้ว่ากุลบุตรผู้นี้ใช้จ่ายโภกทระซัพเหมือนคนกินผลมะเดื่อถ้ากุลบุตรนี้มีรายรับมากแต่เลี้ยงชีวิตอย่างเฝือกเคืองก็จะไม่ผู้กล่าวหาเขาได้ว่า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 และฝนก็มีได้ตกต้องตามฤดูกาลเมื่อเป็นเช่นนี้สระน้ำใหญ่นั้นก็เหือดแห้งไปไม่เพิ่มปริมาณขึ้นเลยชันใดโภคทรัพย์ที่เกิดขึ้นโดยชอบอย่างนี้ก็ชั้นนั้นเหมือนกันมีทางเสรอมสีประการคือ 1. เป็นนักเลงหญิง 2. อเป็นนักเลงสุรา 3. เป็นนักเลงการพนัน 4. เป็นผู้มีมิรชั่นมีสหายชั่วมีเพื่อนชั่ว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 และฝนก็ตกต้องตามฤดูกาลเมื่อเป็นเช่นนี้สาน้าใหญ่นั้นก็เพิ่มปริมาณขึ้นไม่เหือดแห้งไปเลยฉันใดพวกทรัพที่เกิดขึ้นโดยชอบอย่างนี้ก็ชั้นนั้นเหมือนกันมีทางเจริญสีประการคือ 1. ไม่เป็นนักเลงหญิง 2. ไม่เป็นนักเลงสุรา 3. ไม่เป็นนักเลงการพนัน 4. เป็นผู้มีมิตร ด, ดีมีสหายดีมีเพื่อนดี พราหมณ์ทำสี่ประการนี้แหละย่อมเป็นไปเพื่อเรื้อกูลในภพนี้เพื่อสุขในภพนี้แก่คุรบุตรพราหมณ์ทำสี่ประการนี้ย่อมเป็นไปเพื่อเกื้อกูลในภพหน้าเพื่อสุขในภพหน้าแก่คุระบุตรทำสีประการอะไรบ้างคือ 1. ศรัทธาสาัมปทาสศีลสัมปทา 3. จารกสรัมปทา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 คือกุลบุตรในโลกนี้เป็นผู้เว้นข่าจากการฆ่าสัตว์และถึงเว้นข่าจากการเสพของมืนเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทนี้เรียกว่าศีลสัมปทาจากฆ่าสัมปทาเป็นอย่างไรคือกุลบุตรในโลกนี้มีใจปราศจากความตรณีอันเป็นมนทินมีจาระอันสละแล้วมีฝ่ามือชุ่มยินดีในการสละควรแก่การขอ ยินดีในการแจกทานอยู่ครองเรือนนี้เรียกว่าจาคสัมปทาปัญญาสัมปทาเป็นอย่างไรคือคุรบุตรในโลกนี้เป็นผู้มีปัญญาละถึงให้ถึงความสิ้นทุกโดยชอบนี้เรียกว่าปัญญาสัมปทาพรามทำสี่ประการนี้แหลย่อมเป็นไปเพื่อเกื้อคูณในพพหน้าเพื่อสุขในพพหน้าแก่คุรบุตร คนขยันหมั่นเพียรในการงานไม่ประมาทรู้วิธีการเลี้ยงชีวิตแต่พอเหมาะรักษาทรัพย์ที่หามาได้เป็นผู้มีศรัท ธ, ธาถึงพร้อมด้วยศีลรู้ความประสงค์ของผู้ขอปราศจากความตรนีชำระทางแห่งประโยชน์ที่มีในพบหน้าอยู่เป็นนิดที่พระพุทธเจ้าผู้มีพระนามว่าสัจจะตรัสธรรมแปดประการดังกล่าวมานี้เพื่อผู้ครองเรือนผู้มีศรัท ธ, ธา